รอไมไมใครใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยมีไหมมีเยอะเลยไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือหรอมาจากประเทศไหนเน่ย <c oughs> หายากนะ <c oughs> ในวงกรรมฐานนะตอนนี้หาคนที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อหายากมากเลยนะคือเราอย่ไปวาดภาพการปฏิบัตินะว่ามันยาก พิธีลีตองมากขั้นตอนเยอะนะชาตินี้คงทำไม่ได้หรอกมัอย่างนีน้ความจริงแล้วการปฏิบัติทมเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลยธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็ศาสตร์อันหนึ่งนะเช่นเดียวกับศาสตร์อื่นๆนั่นแหละอย่างแพทยศาสตร์เขาก็ตอบปัญหาจะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บยังไงนะรัฐศาสตร์ก็ตอบปัญหาว่าปกครองยังไงจะดี นิติศาสตร์ก็เรื่องทำไงจะยุติธรรมให้สังคมอยู่กันภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมเลแต่ละศาสตร์แต่ละศาสตร์มันก็มีวัตถุประสงค์ของตัวเองพระพุทธศาสนาก็มีวัตถุประสงค์คือศาสตร์อันหนึ่งจะว่าเป็นศาสนานะไม่เชิงเป็นศาสนาตามหลักของศาสนาสากลด้วยซ้าไปแต่ว่าเป็นศาสตร์มากกว่าเป็นศาสตร์ที่ตอบคําถาม ว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์ทำงไงจะทุกข์น้อยลงนะ้อยลงนะจนถึงกระทั่งไม่ทุกข์อีกเลยนะความทุกข์เนี่ยจะเหลือแต่เฉพาะความทุกข์ทางร่างกายเช่นหิวข้าวหิวน้ำํำนะต้องการขับถ่ายปวดหั ว, ว, วตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรงี่แก่ตายอนะไรนะี่ความทุกข์จะอยู่แค่ร่างกายแต่จิตใจนะั้นะความทุกข์เข้าไม่ถึงนะเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเรามา เป็นศาสตร์ที่จะถอนความทุกข์ออกจากใจให้ได้คนทั่วๆไปเวลามีความทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นมันจะแถมด้วยความทุกข์ทางจิตใจด้วยหรือบางทีร่างกายสบายดีแท้ๆเลยนะก็หาเรื่องสร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมาได้พอไม่มีความสุขดติ้นรนทุรน ท, รนทุรายอยากสแสวงหาความสุขสแสวงหาแบบไม่รู้ทิศทางเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า ความทุกข์มันเข้ามาในใจเราได้ยังไงเรารู้แต่ว่ามันเข้ามาแล้วนะ่ะนะก็ดิ้นพลาดๆลาดหาทางหนีไปเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าจะสอนเรานะว่าเป้าหมายเลยวัตถุประสงค์เลยก็คือทำอยังไงเราจะสิ้นทุกข์จะสิ้นทุกข์ได้เราก็ต้องรู้ว่าทุกข์มาได้ยังไงแล้วตัดต้นต่อของมันทำลายต้นต่อของความทุกข์ที่เข้ามาสู่จิตใจได้จิตใจมันก็ไม่ทุกข์ ศาสนาพุทธนี่เต็มไปด้วยเหตุผลงั้นในยุคแรกๆนะตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนะถ้าเราศึกษาพุทธประวัตนะิเราจะพบว่าสาวกรุ่นแรกๆเนี่ยปัญญาชนทั้งสิ้นเลยนะเป็นระดับปัญญาชนทั้งนั้นเลยปัญจวัคคีย์ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่ชาวไร่ชาวนานะปัญจวัคคียยังโกนทัญยะนี่เป็นพราหมณเบอร์หนึ่งคนหนึ่งเลยนะในกระบิลพัฒน์นะีไม่ใช่กระจอก มีความรู้แตกฉานมากมายเลยอีกสี่คนนีเป็นลูกของพราหมณ์ผู้เท่าซึ่งแต่ละคนก็มีชื่อเสียงมากลุ่มของพระยสศะใช่ไมเนลูกเศรษฐีพวกมีการศึกษาห้าบห้าคนเนกลุ่มกลุ่มพัทธวัชชีพวกกษัตริย์30คนกลุ่มชดินหนึ่งันคนพวกนี้เป็นนักปรัชญาเป็นนักปราชทางนั้นเลย เป็นที่นับถือของพระเจ้าแผ่นดินด้วยซ้าไปมาถึงพระโมคคัลลาพระสารีบุตรกับเพื่อน250องค์พวกนี้เป็นนักปรักเป็นเรียกว่าพวกปริพาชกนะโดยตระกูลนะเป็นเศรษฐีแล้วก็ออกมาบวชในสำนักปริพาชกปริพาชกเนี่ยคล้ายๆพวกกรีกนะคล้ายๆพวกกรีกคือเขาพยายามหาเหตุหาผลวิเคราะห์อะไรเนี่ยด้วยการถกเถียงใช้ตรร ก, กะวิทยาไปสู้กัน เพื่อจะหาความจริงด้วยการถกเถียงกันงั้นเราดูให้ดีเถอะว่าสาวกรุ่นแรกๆที่มีชื่อเสียงมากๆเนี่ยไม่ใช่คนโนเนมนะมเป็นคนมีการศึกษาสูงๆนะระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอะไรนี้เยอะแยะเลยนะพระไปดูรายชื่อพระที่มีชื่อเสียงนะจะมีพระที่เป็นชาวบ้านอยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่มากหรอก ในศาสนาพุทธจริงๆนี่เป็นศาสนาของการที่ใช้สติใช้ปัญญาในการเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ว่าความทุกข์มันเข้ามาได้ยังไงแล้วก็ทํำยังไงจะไม่ทุกข์ไม่ใช่ศาสนาแห่งการวิงวอนร้องขอไม่ใช่ศาสนาฟลุกๆุกปฏิบัติไปเถอะหลับหูหลับตาภาวนาไปเถอวันนึงก็พ้นทุกข์เองไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะแต่เป็นศาสนาที่สมบูรณ์งดงาม ท่านมักจะใช้คำว่างดงามในเบื้องต้นงดงามใน่ามกลางงดงามในที่สุดงดงามในเบื้องต้นคือมันมีเหตุมีผลของการปฏิบัติเราต้องตอบได้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทาแล้วจะมีผลอย่างไรเนี่ยพระพุทธศาสนาตอบได้ทั้งสิ้นเลยเราจะพ้นทุกข์เราจะต้องทำอะไรจะทำอย่างไรจะต้องทำอะไรต้องมีปัญญาถึงจะพ้นทุกข์ได้ ถ้าไม่มีปัญญาพ้นทุกข์ไม่ได้แค่ทําทานไม่พ้นทุกข์แค่รักษาศีลไม่พ้นทุกข์ต้องมีปัญญาถึงจะพ้นทุกข์ได้แล้วทําอย่างไรปัญญาจะเกิดนะทําอย่างไรปัญญาจะเกิดนั่นะคือคําว่าวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองนะถ้าปัญญาเกิดแล้วจะมีผลเป็นอย่างไรนะเราจะต้องทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรนะทําแล้วจะให้ผลอะไรไม่มีคําตอบทั้งสิ้นเลยทําแล้วก็คือพ้ทุกข์ ถ้ามีปัญญาแจ่มแจ้งจริงจะพ้นทุกทุกทางใจเนี่ยจะไม่มีอีกเลยนะเหลือแต่ทุกทางร่างกายตามธรรมชาติธรรมดาซึ่งเมื่อมีร่างกายแล้วหนีไม่พ้นหรอกยังไงก็ทุกขนาะพระพุทธเจ้าใช่ไหมท่านมีร่างกายท่านก็แก่ท่านก็เจ็บเนี่ยท่านก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่ทางจิตใจนะั้นไม่ทุกเนี่ยพวกเราจะต้องมาเรียนนะเป็นธรรมะที่งดงามไม่ใช่ฟลุกฟุกไม่ใช่มั่วม่วนะไม่ใช่เชื่อเอา แต่สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลนะงามในท่ามกลางก็คือมีวิธีที่เราจะดาเนินไปนะงามในที่สุดก็คือเมื่อเราปฏิบัติถึงขีดสุดแล้วเนี่ยนะจิตใจไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสว่างไสวมีแต่ความผ่องใสอยูนะ่งดงามมากเลยนั่นเป็นคำสอนที่อัศจรรย์นะอัศจรรย์ถ้าเราได้เข้าใจคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพบว่าอัศจรรย์หลือเกิน เช่นเดียวกับที่คนสมัยพุทธกาลเขาบอกว่าอัศจรรย์หนอพระเจ้าขา่าอัศจรรย์พระเจ้าขา่ะธรรมะของพระองค์เนี่ยเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายนะเหมือนจุดไฟขึ้นในที่มืดโดยหวังว่าคนที่มีลูกตาเนี่ยจะมองเห็นได้เปิดของคว่ำให้หงายยากไหมไม่ยากนี่แค่เนี้ยยากเหรองั้นเราวันนี้นะ หลวพพ่อจะลองคุยกับพวกเราก็ซึ่งไม่ค่อยได้เรียนเลยอ่ะนะยังไม่เคยเรียนสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยอาภาพยังชอบกล <c oughs> คนประเทศอื่นก็ยังมาเรียนเลยนะทำไมคนตลาดหลับทรัพไม่เรียนนะ <c oughs> การจะพัฒนานหลวงพ่อบอกแล้วนะเราจะพ้นทุกข์ได้จิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดเนี้ยด้วยปัญญา ปัญญาคือการเข้าใจความเป็นจริงของตัวเองเข้าใจความเป็นจริงของตัวเราเองหรือพูดง่ายๆความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเราเองทำไงเราจะมาเข้าใจความจริงของตัวเราเองได้ตัวนี totally <t <t ้แหละเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราเข้าใจความจริงของตัวเราเองได้นะใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะใจจะไม่เกิดความอยากความอยากนี่แหละที่เคยได้ยินไหมตัณหาเคยได้ยินไหมคนี้ใครเคยได้ยินบ้างมีไหม ใครไม่เคยได้ยินยกมือนะซื่อๆเลยอย่าอย่าหลอกลวงนะรู้จักไหมตัณหานะตัณหาเป็นความทยานอยากของจิตตัณหา เ, เกิดได้เพราะไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงของชีวิตถ้ารู้ความจริงของชีวิตตัณหาจะไม่มีถ้าตัณหาไม่มีเนี่ยจิตใจจะไม่ถูกบีบคั้นจิตใจเราถูกบีบคั้นถูกความทุกข์บีบคั้นได้เพราะตัณหานะเป็นตัวสมุทัยคือตัวเหตุตัณหามาจากความไม่รู้ มาจากอวิชชาความไม่รู้งั้นะถ้าเราต้องการทำลายต้นต่อของความทุกข์จริงๆนะมาพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นในใจเรานะความรู้ที่เราต้องพัฒนานะก็คือความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็คือกายนี้ใจนี้นี่เองเราต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจตนเองอะไรคือความจริงของกายอะไรคือความจริงของจิตใจเคยได้ยินควาว่าไตรลักษณ์หม ไตรลักษนณะ์นั่นคือลักษณะเป็นสามัญลักษณะลักษณะร่วมลักษณะทั่วไปของสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายร่างกายเราเป็นของปรุงแต่งจิตใจเราเป็นของปรุงแต่งเพราะฉะนั้นมันมีลักษณะร่วมกันก็คือมีความไม่เที่ยงเมื่อเกิดได้ก็ดับได้มีความเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีความเป็นอนัตตาก็คือไม่อยู่ในอำนาจของเราสั่งทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับมันบังคับมันไม่ได้นี่คือคำว่าอนัตตาเนี่ยความจริงของชีวิตนะความจริงของกายความจริงของใจก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์คือถูกบีบคัน้นความเป็นอนัตตาก็คือไม่อยู่ในอํานาจบังคับอย่างเราเห็นร่างกายนะร่างกายเราแก่ใครมีตีนกาแล้วบ้างสาวๆคนไหนมีแล้วบ้างช่มือซิมีหมใครยังไม่มีเลยมีไหม ไม่มีวันหนึ่งก็มนะีตีนกาขึ้นอันแรกเดือดร้อนมากใช่ไหมถ้าเกิดเดยอะๆแล้วเราเฉยๆแล้วทำไมทําไ ม, าไมต้องทุกตีนกาขึ้นบนหน้าความทุกข์อยู่ที่ใจทนะําไมใจทุกข์เพราะใจไม่อยากให้แกนะ่ความแก่เป็นความจริงของชีวิตนะความเป็นหนุ่มเป็นสาว ม, มันก็ไม่เที่ยงนะ แต่ถ้าเมื่อไหร่เรายอมรับความจริงนะว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงหรอกเป็นหนุ่มเป็นสาวได้วันหนึ่งก็แก่ได้ถ้าใจยอมรับตรงนี้นะตีนกาขึ้นก็ไม่ถูกข์หรอกแต่ถ้าใจยอมรับความจริงไม่ได้ตีนกาขึ้นอันเดียวก็ทุกข์มากอันที่สองก็ทุกข์มากเข้าอีกนะพอถึงอันที่สิบนียเฉยๆแล้วลงตก ร, รู้สึกว่าเนี่ยความจริงแล้วหนีไม่พ้นล้นะเห็นไหมอยู่ที่การยอมรับนะถ้าใจยอมรับความจริงได้ใจจะไม่ทุกข์ นะถ้าใจยอมรับความจริงไม่ได้จะทุกข์มากเลยนะเวลาคนที่เรารักตายนะใครเคยพลัดพลากจากคนที่รักบ้างนะประเภทพ่อแม่ตายแล้วมีไหมคนไหนพ่อแม่ตายแล้วนะพ่อแม่ตายใครลูกตายบ้างใครเคยมีลูกแล้วตายบ้างยังไม่มีเลยห้องนี้เด็ ก, เ, ดกเกินไปนะพ่อแม่ตายเนี่ยนะทุกน้อยกว่าลูกตายนะโดยธรรมชาติเลยเพราะอะไร เพราะเราเคยคิดพ่อแม่ควรจะตายก่อนเราการตายควรจะเป็นไปตามซีเนอริตี้นะอ า, อาวุโสก่อนตายก่อนในความจริงไม่ใช่เด็กก็ตายก่อนได้พอข้ามรุ่นนะลูกตายก่อนเนะโอ้ทุกทุกจนไม่รู้จะทุกยังไงเลยเพราะอะไรเพราะยอมรับไม่ได้สิ่งที่ยอมรับได้ก็ต้องตายตามลำดับพอข้ามลาดับเถอะนะ รับไม่ได้คนที่เคยมีลูกแล้วตายเนะี่ยจะรู้เลยว่าทุกแสนสาหัสนะทุกยิ่งกว่าพ่อแม่ตายนะทุกยิ่งกว่าสามีภรรยาตายนะมาถึงลูกตายเนะี่ยเพราะอะไรมันไม่เคยยอมรับมันมันยอมรับไม่ได้ไม่เคยคิดอนะ่นะเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้นะเราจะทุกข์ถ้าเรารู้ว่าความจริงของชีวิตเป็นยังไงจิตใจยอมรับความจริงได้จิตใจจะไม่ทุกข์หรอกเนะนี่ยวันนี้มีคนที่จัด ให้หลวงพ่อมาเทศนะเขาขอบอกให้หลวงพ่อเทศง่ายๆปกติเทศยากกว่านี้เยอะนะเทศเรื่องปรมาตธรรมเรื่องจิตทำงานอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องอะไรต่ออะไรขนาดนี้พอรู้เรื่องไหมต้องถามก่อนนะง่ายง่ายไปไหมหรือว่าพอดีแล้วอพอดีแล้วนะเห็นไหมว่าความทุกข์ในใจนียเกิดจากยอมรับความจริงไม่ได้ถ้ายอมรับความจริงได้จะไม่ทุกข์ นี่ทำยังไงใจจะยอมรับความจริงได้เราต้องพาให้มันเห็นความจริงบ่อยๆนะอย่างเรายอมรับไม่ได้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเราพามาดูความจริงเรื่อยๆในร่างกายนี้นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจะค่อยๆแก่แต่ละส่วนแต่ละส่วนนะค่อยๆแก่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมาสังเกตอยู่ในร่างกายร่างกายเราแต่ก่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนหน้านั้นเป็นเด็ก ร่างกายที่เป็นเด็กได้ตายไปแล้วนะพอมาเป็นร่างกายที่เป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปร่างกายที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายเป็นร่างกายที่แก่ๆร่างกายแก่ๆก็ตายอีกใช่ไหมกลายเป็นก้อนดินก้อนวัตถุไปเนี่ยพยายามมารู้สึกอยู่ในร่างกายนะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายอย่าลืมตัวเองคนส่วนใหญ่เนี่ยนะรักตัวเองที่สุดเรารักตัวเองที่สุดนึกออกไหมเรารักตัวเองที่สุดแต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุด เรารู้เรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องตัวเราเองเราเห็นหมดเลยคนไหนชั่วยังไงรู้หมดเลยนะตัวเองชั่วไงไม่เคยเห็นเลยนะจริงหรเปล่าดูยากนะเพราะเรารู้ออกนอก ร, รู้ข้างนอกหมดเราไม่ยอมย้อนมางั้นถ้าเราจะเรียนรู้ตัวเองนะงานแรกที่ต้องฝึกก็คือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมกายอย่าลืมใจคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆนะ การที่เราไม่ลืมกายไม่ลืมใจเนะียใจเราอยู่กับเน้อกับตัวแล้วกว่าจิตใจตั้งมั่นจิตใจมีสมาธิอยู่จิตใจไม่หลงไปไม่ไหลไปจิตใจของเรานะี่ยเหลวไหลไหลตลอดฟันตลอดคืนนะตื่นนอนขึ้นมาเราก็าไหลไปคิ ด, ค, ดนนคิดเรื่องน้นคิดเรื่องนี้พอคิดไปแล้วความรู้สึกก็เกิดนะอย่างวันจันทร์ตื่นนอนมาแล้วนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์เนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกับตื่นนอนแล้ววันศุกร์ใช่ไหมเนี่ยความรู้สึกนั้นเปลี่ยน ใจมันนีไปใจมันไหลไปแต่ถ้าใจมันไหลเรารู้สึกนะใจอย่าอยู่กับเนื้อกับตัวงานแรกที่พวกเราต้องฝึกก็คือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจของเราหลงออกนอกตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันถูกสั่งสอนมาให้ออกไปข้างนอกให้สนใจสิ่งภายนอกเราสนใจรูปที่มองเห็นมากกว่าสนใจลูกตาของตัวเองเราสนใจเสียงหรือเรื่องราวที่ได้ยินมากกว่าจะสนใจผูของตัวเอง เราสนใจกลิ่นมากกว่าสนใจจมูกตัวเองนะเราสนใจรสกินข้าวรู้สึกที่ลิ้นหรือรู้สึกที่รสน่ะรู้สึกที่รสใช่ไหมเราสนใจรสรสเป็นของข้างนอกนะลิ้นเป็ตัวเราแตเราไม่เคยเรียนเลยเราสนใจเรื่องราวคิดจิตใจสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไปเราไม่สนใจจิตใจตนเองนี่เรียกว่าเราสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายแล้วก็ในเรื่องราวทางใจเราไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเอง เรียกว่าเราไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองเลยงานของเราคืองานเรียนรู้ตัวเองแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเราไม่เคยเรียนรู้ตัวเองเราชอบออกข้างนอกตลอดแล้วเราถูกฝึกสอนให้สนใจของข้างนอกตลอดเวลาโดยละเลยความสนใจตัวเองใครเคยไปเยี่ยมคนออกลูกใหม่ๆบ้างมีไหมมีเพื่อนออกลูกอะไรเงี้ยเคยเห็นเด็กแดงๆไหมเกิดใหม่ๆ เวลาเราเห็นเด็กแดงๆเราชอบมือไปโบกใช่ไหมเจ๊เอ๋จ๊เอ๋นะ mm hmm. เรากำลังสอนเด็กให้ส่งจิตออกนอกเด็กไม่ยอมออกไฟออกไฟนะมันลืมตัวมันเองนะเนี่ยถูกสอนมันตั้งแต่กเกิดเลยนะนี่เราสนใจของข้างนอกตลอดเวลาเลยใจหนีไปตลอดเวลางั้นงานแรกนะก่อนที่จะเรียนรู้ตัวเองได้ก็ต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนถ้าเราลืมตัวเองไปนะเราไม่มีกายที่จะเรียนรู้เราไม่มีจิตใจที่จะเรียนรู้ร่างกายเรามีอยู่แต่เราลืมมัน จิตใจเรามีอยู่แต่เราลืมมันงั้นเราต้องมาฝึกให้รู้สึกตัวให้ได้นะวิธีการที่จะฝึกให้รู้สึกตัวนะทำยังไงดีให้คอยรู้ทันเวลาใจเราหนีไปคิดใจเราหนีไปคิดเมื่อไหอไรนะ่นะนะเราจะลืมกายเราจะลืมใจของตัวเองทุกครั้งไปงั้นเราค่อยๆสังเกตที่นี่เคยนิมนต์พระมาเทศนาอะไรบ้างไหมเคยสอนอะไรท่านสอนอะไรให้สอนกรรมาฐานบ้างไหม หรือเทศไปเรื่อยๆตอนนั่งสมาธิเลยใช้กรรมฐานนั่งสมาธิเดินจงกรมมุ่งทำเพื่ออะไรให้สงบมุ่งสงบนะลองปรับนิดนึงนั่งสมาธิไปเดินจงกรมแต่ไม่เอาความสงบเปลี่ยนเลยนะลองดูนั่งสมาธิแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิด นั่งสมาธินะแล้ ร, รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเดินจงกมรมแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตของเราหนีไปคิดทั้งวันนะ่ะตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะหลับแล้วยังหนีไปคิดต่อเรียกว่าฝันนะปรับนิดหนึ่งกรรมฐานนั้นมีสองอันนะอันหนึ่งทําไปเพื่อความสุขความสงบเรียกว่าสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานอย่างเป็นนั่งสมาธิไปเดินจงกรมจิตใจสงบนะไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นเลยอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่หนีไปไหนเลยได้สมถกรรมฐาน สมากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่กรรมฐานสําหรับการเรียนรู้ตัวเองแต่เป็นกรรมฐานเพื่อพักผ่อนจิตใจนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามันมีกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งก็คือพิปัสนากรรมฐานเราจะถอนตัวออกมานะเป็นผู้สังเกตการให้จิตของเราถอยออกมาเป็นผู้สังเกตการแล้วสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจนะจิตเราต้องถอยออกมาเป็นคนดูให้ได้ วิธีที่จิตจะถอยออกมาเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์เรียกว่าผู้รู้ก็คือรู้ทันจิตเวลามันไหลไปคิดต่อไปนี้นั่งสมาธิสมมตอเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกแต่เดิมนะหายใจแล้วเราน้อมจิตให้จับนิ่งอยู่ที่ลมหายใจอันนี้จะได้ความสงบเฉยๆเปลี่ยนใหม่ต่อไปนี้หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดที่อื่นนะหนีไปจากลมหายใจแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปละ หรือคนไหนดูท้องผ่องยุบก็ได้นะดูท้องผ่องยุบแล้วไม่ได้บังคับให้จิตเป็นนิ่งอยู่ที่ท้องแต่ถ้าจิตลืมท้องไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดละเดินจงกรมก็ได้แต่ไม่ใช่เดินเอาความสุขความสงบนะเดินจงกรมไปจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดต่อไปนี้ลองทํากรรมฐานแล้วรู้ทันจิตไว้นะถ้าเราทํากรรมฐานแล้วเรารู้ทันจิตนนเนืองๆนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้ จิตที่เป็นผู้รู้กับจิตที่เป็นผู้คิดนะี่กลับข้างกันนะเหมือนเหรียญด้านหัวด้านก้อยอถ้าเราเป็นจิตผู้คิดเมื่อไหร่เราก็ไม่ใช่จิตผู้รู้ถ้าเราเป็นจิตผู้รู้เมื่อไหร่ก็ไม่ใช่จิตผู้คิดจิตของเรานั่นแหละโดยธรรมชาตินะมันเป็นจิตผู้คิดคิดทั้งวันเลยรู้สึกไหมไม่มีเรื่องอะไรก็หาเรื่องคิดใช่ไหมไม่มีอะไรใหม่ๆก็คิดเรื่องเก่าๆคิดแล้วคิดอีกคนไหนรู้สึกว่าตัวเองชอบคิดซ้ำซาก บ, บ้างา ย, ยกมือสิมีไหม คิดอยู่ได้เรื่องเดิมอะไรเงี้ยนะเนี่ยธรรมชาตินะจิตมันชอบเป็นคนคิดมันไม่ค่อยเป็นผู้รู้นะเราต้องมาฝึกมาฝึกมาพัฒนาให้จิตใจเนีตั้งมั่นเป็นผู้รู้จิตใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้เรียกว่าจิตมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิมีสองอันสมาธิอันที่หนึ่งมีชื่อ technical term นะว่าอารมณนูปานิชานจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวเช่นอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยได้ความสงบ อันที่สองชื่อลักขณูปณิชฌานจิตตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณนะ์ตัวนี้เราเกิดจากการฝึกอยู่ๆไม่เกิดหรอกศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาไม่มีเหตุมีผลนะเราอยากได้จิตตั้งมัน่นเราก็ต้องฝึกอยู่ๆฝึกแต่จิตส่งออกนอกจิตเลื่อนไหลฟุ้งซ่านแล้วจะมาให้จิตตั้งมัน่นไม่ตั้งหรอกนะทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งที่เคยทํานะพุโทโธไปก็ได้หายใจก็ได้ แล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรารู้ทันฝึกอย่างนี้ azione. บ่อยๆต่อไปพอจิตมันไหลไปคิดปุ๊บมันจะรู้ทันทันทีที่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยนะภาวะที่อัศจรรย์มากอันหนึ่งจะเกิดขึ้นคือภาวะแห่งการรู้การตื่นการเบิกบานเคยได้ยินคำว่าพุทโธไหมพุทโธแปลว่าอะไรแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตซึ่งมันตื่นขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเอง เพ้นเราต้องมาฝึกนะหัดไปพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันตรงที่รู้ทันนั่นแหละจิตตั้งมั่นหายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันตรงที่รู้ทันนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นขึ้นมาแล้วอย่ารักษาไม่รักษานะตั้งก็ตั้งแล้วไหลไปอีกรู้อีกไหลไปอีกรู้อีกฝึกอย่างนี้นะไม่ใช่ฝึกให้ตั้งนิ่งนิ่งถ้าตั้งนิ่งนิกลายเป็นสมถะกรรมฐานอีกแล้วให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปตัวนี้สําคัญมากเลย หลวงปู่ดูลท่านบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เวลาคิดมันหลงไปสินะเวลารู้มันไม่คิดนะแต่อาศัยคิดให้มันคิดไปนะเพรอคิดไปแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นจิตจะรู้ขึ้นมาอาศัยที่จิตมันไปทํางานปล่อยให้มันทํางานไม่ห้ามมันหรอกหลวงพ่อเทียนแกยได้ยินชื่อไหมหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนแก่กว่าหลวงพ่อเทียนมีองค์นะชื่อหลวงปู่ทูบ นะมีนะอยู่วัดแค่์นังเลิ้งนี่หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านสอนว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดก็คือหลักที่หลวงพ่อบอกนี่แหละนะทำกรรมาฐานอย่างหนึ่งพุโทโธไปหายใจไปพอจิตไหลไปคิดรู้ทันได้ต้นทางอะไรเป็นต้นทางของการปฏิบัติการเจริญปัญญาก็คือจิตซึ่งตื่นขึ้นมาจิตซึ่งรู้สึกตัวขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีคนตื่นหรอก ในโลกนี้นะไม่มีคนตื่นหรอกมันตื่นแต่ร่างกายแต่จิตเนี่ยหลับฝันตลอดเวลาจิตเราฝันตลอดเวลานะทั้ ง, งที่เราลืมตาตื่นเดินไปเดินมาเนี่ยจิตเราอยู่ในโลกของความคิดความฝันจินตนาการทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมจินตนาการเก่งไหมนั่นแหละ จ, จิตไม่ใช่ผู้รู้นะจิตไม่เคยเป็นผู้ตื่นไม่ใช่ผู้เบิกบานจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แตง่งจิตเป็นผู้หลับผู้ฝันตลอดเวลา ในโลกนั้นหาคนที่ตื่นแทบไม่ได้เลยนะจนกระทั่งได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแท้ๆนะถึงจะตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วมาทํำมิปั ส, สนากรรมฐานได้7วัน7เดือน7ปีนี่แหละที่ว่าจะได้ผลถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นอีกเจชาติก็ไม่ได้ผลเนะท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลเพราะจิตไม่มีคุณภาพที่จะเรียนรู้ตัวเองนั้นจุดสําคัญจุดแตกหักเลยนะจุดแรกเลยคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิด แล้วเราจะตื่นเมื่อใดภาวะแห่งความตื่นเกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิตเราจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราฝันตลอดเวลาเราไม่เคยตื่นเลยนะงั้นลองดูนะทันทีที่จิตตื่นนะจิตจะเบิก บ, บานมีความสุขผุดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีอะไรมายั่วยั้วจิตเลยความสุขของเราต้องมีรูปสวยสวยมาดูใช่ไหมมีเสียงถูกใจให้ได้ยินได้กลิ่นหอมหอมกลิ่นถูกใจ หรือคิดเรื่องราวสนุกสนานถึงจะมีความสุขแต่ในทันทีที่จิตตื่นขึ้นจิตจะมีความสุขอยู่ในตัวจิตเองนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยอัตโนมัติตัวนี้สำคัญนะถ้าเราไม่มีจิตตัวนี้เนี่ยเรายังทำวิปัสส น, นาไม่ได้เมื่อเราทำวิปัสสนาไม่ได้นะไม่มีโอกาสที่จะเกิดมรรคผลนะไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงพระนิพพานคือความพ้นทุกข์สิ้นเฉง งั้นจุดแตกหักเลยนะฝึกให้ได้จิต ท, ที่ไหลไปเรารู้ไหลเรารู้เนี่ยฝึกให้ได้แล้วถัดจากนั้นมาจะทำอะไรอีกพอรู้สึกตัวเป็นแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานร่างกายของเราทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวขับถ่ายมีธาตุหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกาย ไม่ได้ไปบงังคับกายนะไม่ได้ไปคิดพิจารณาร่างกายแต่ดูความจริงของกายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแปลว่าเห็นวิปัสสนาปัสนาแปลว่าการเห็นเห็นวิแปลว่าเห็นแจ้งวิปัสสนาคือเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่วิตกวิตกเราคิดนั้นศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาคิดเอานะแต่เป็นศาสนาที่เราเนี่ยเข้าไปเห็นความจริงเข้าไปเรียนรู้ความจริงเข้าไปประจักษ์กับสภาวะที่เป็นจริง นาใจเราต้องตื่นตื่นแล้วเนี่ยมาดูการทํางานของร่างกายมาดูการทํางานของจิตใจแล้วแต่ถนัดจะเริ่มจากกายก่อนก็ได้จะเริ่มจากใจก่อนก็ได้ถ้าเริ่มจากกายเราก็เห็นร่างกายหายใจไปอย่าใจลอยเวลาเราใจลอยละร่างกายเราหายไปจากโลกนะใช่ไหมหายไปจากความรู้สึกจากใจลอยนั่นแหละคือจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นล้วนะ่าจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมีร่างกายมันก็รู้สึกถึงร่างกายได้ เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูแล้วปัญญามันจะเริ่มเกิดร่างกายนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าการหายใจเข้าหรือการหายใจออกก็ทนอยู่ไม่ได้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่เราหายใจออกไปเรื่อยๆทุกนะต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกหายใจเข้าไปเรื่อยๆเราก็ทุกต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุก กเราลองหายใจเข้ายาวๆหายใจเข้าเรื่อยๆอยาให้ใจออกแล้วดูสิทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกข์ไหมทําไมต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์เห็นไหมร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยแล้วทําไมเราต้องขยับตัวนั่งแล้วมันเมื่อยเห็นไหมเราก็ขยับไปเรื่อยเลยนะเมื่อยยังไงเราก็ไม่รู้อ่แะแต่ก่อนจะขยับไปรู้สึกซะก่อนให้เห็นเลยโอ้มันทุกข์นะมันปวดแล้วนะก็ขยับไป ออหนีความทุกข์มาได้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวความปวดตามมาอีกนะขยับอีกค่อยรู้ก่อนนะรู้ก่อนแล้วค่อยขยับทีหลังหายใจไปก็ค่อยรู้สึกไปนะอย่างเราเ ห, เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์เรียกว่ามันเห็นทุกข์นะแล้วมันจะเห็นเลยว่าร่างกายเป็นแค่วัตถุร่างกายเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเช่นหายใจเข้าไปแล้วก็หายใจออก กินอาหารแล้วก็ขับถ่ายกินน้ําแล้วก็ขับถ่ายหรือเหงื่อออกไปเนี่เป็นธาตุที่หมุนเวียนไปเรืนะ่อยร่างกายเป็นแค่วัตถุเทนั้นเองถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของคืนโลกเข้าไปเอาไปไหนด้วยไม่ได้หรอกต้องคืนเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะร่างกายเป็นสิ่งที่เราอาศัยยืมโลกมาใช้เบื้องต้นยืมมาจากพ่อแม่คนละครึ่งเซลลนะ์ถัดจากนั้นยืมจากอาหารจากน้ําจากอากาศของโลกนั่นเองนะ ถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนที่เป็นอมตะอย่างที่เรียกว่าเห็นอนัตตานะเนี่ยข้าใจเราไม่ลืมกายแล้วเราก็เรียนรู้ความจริงของกายไปเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้นะอันใดอันหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างไตรลักษนณะ์เนี่ยเรียนอันเดียวพอแล้วอันเดียวก็พ้นทุกแล้วนะเพราะถ้ามันเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงความยึดถือในกาย ก, ายก็จะลดลง ถ้าเห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์ความยึดถือในร่างกายก็จะลดลงถ้าเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุความยึดถือในกายก็ลดลงนะนี่ถ้ามาหัดดูจิตใจจะทำยังไงจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ไหมเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายรู้สึกไหมแล้วไปหัดนะไปหัดดูความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองแล้วจะรู้ว่านังมานร้ายตัวจริงออยู่ที่ไหนนะ ลองไปฟังซีดีเราเวลาเข้าส่งกันบ้านหลวงพ่อนะลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทแต่ละคนนี่นางมารทั้งนั้นเลยนะแต่เดิมคิดว่าเป็นนางฟ้านะแต่จริงๆเป็นนางมารร้ายแต่ละคนนะซ่อนความชั่วร้ายไว้เต็มเลยผู้ชายอย่าหัวเราะนะผู้ชายก็ชั่วเหมือนกันนะตอบได้ไ้ยผู้หญิงกับผู้ชายใครชั่วกว่ากันคืนตอบกตีกันตั้านต่นนะัะน ต้องช่วยด้วยกันนะพออยู่ด้วยกันพอพอกันแล้ถ้าแตกต่างกันมากอยู่กันไม่ได้เรามาหันดูใจของเราใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นใจเราก็เปลี่ยนเช่นเราเห็นเพื่อนของเราเราดีใจใช่ไหมเราเห็นศัตรูเราเราเกลียดนี่ยใจแต่เดิมเฉยๆเกิดเป็นดีใจใจแต่เดิมเฉยๆเกิดเกลียดเนี่ยใจของเราเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นใจของเราเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียง ่ได้ยินเสียงคนชมนะดีใจไหมได้ยินเสียงของคนที่เรารักดีใจไหมได้ยินเสียงคนที่เราเกลียดสดชื่นไหมเนี่ยนะ ใ, ใจมันเปลี่ยนใจของเราเปลี่ยนนะเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนอย่างเราอยู่ๆเราได้กลิ่นเน่าๆนะในห้องเราเ็าไม่มีอะไรเลยอยู่ๆทำงานอยู่คนเดียวดึกๆนะได้กลิน่นเ่าๆขึ้นรู้สึกไงสดชื่น อันแรกเลยถ้าอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยจะรู้สึกกลัวถ้าอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจะสงสัยว่าตัวอะไรมันมาตายหรือเปล่า <laughs> ถ้าอยู่ในบ้านเราได้เน่าๆนะก็เอ๊ะหนูมาตายหรือเปล่าจิ้งจกมาตายหรือเปล่าถ้าคนที่เรารู้จักเพิ่งตายใหม่ๆได้กลิ่นเน่านะมันมาเยี่ยมหรือเปล่า <laughs> ความรู้สึกนี่ยเกิดจากใจมันคิดก็ได้นะจมูกได้กลิ่นก็ได้ใจมันคิดก็ได้อยู่คนเดียวนั่งคิดไปเรื่อยๆใจก็เปลี่ยน ใครเคยอกหักถามจริงๆฮะมีไหม ย, ยกมือสิกล้าหาญหน่อยที่นี่ไม่มีคนอกหักหรอกอัศจรรย์กล้าหน่อยิมีไหม ย, ยกเลยเห็นยึกยักยึกยักอ่หลายคนอยู่นะ <c oughs> อกหักนะแล้วชอบไปฟังเพลงไหมหรือไปตัดผมเวลาไปอกหักนะชอบไปฟังเพลงเศร้าๆใช่ไหมพอฟังเพลงเศร้าๆแล้วใจยิ่งเศร้าหนักขึ้นอีก เนี่ยหูได้ยินเสียงนะใจคิดนะใจก็เศร้าขึ้นมาได้หูได้ยินเสียงนะใ จ, นะ ใ, จนนงใจไปคิดคิดอีกอย่างหนึ่งสดชื่นใจเราคิดนะความรู้สึกเราก็เปลี่ยนเวลากลุ่มใจสังเกตไหมเวลากลุ้มใจอยากจะไม่คิดเรื่องนั้นใช่ไหมแต่ยิ่งขยันคิดเรื่องไหนทําให้กลุ้มใจยิ่งคิดบ่อยใช่ไหมเนี่ยใจพอมันคิดมันก็กลุ้มบางทีมันคิดไปมันก็สนุกใช่ไหม งั้นสรุปก็คือใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อมีการกระทบอารมณ์นะตามองเห็นก็ใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนลิ้นถูกรสนะใจก็เปลี่ยนเคยไปกินอาหารนะอาหารพออาหารลิ้นถูกรสเอ้ลิ้นรสมันมันรู้นะรส ถ, ถูกใจนะใจก็เปลี่ยนดีใจหลวงพ่อเคยนะสมัยเป็นโยมนะ ไปกินไข่เจียวเหมนั้นสั่งแม่ค้าวไข่เจียวข้าวข้าวมันด้วยโอ้พอกินเข้าไปเรารู้เลยยายแม่ข้ามันรีบมากนะมันไม่ใส่น้ำปลาเลยไข่เนี่ยเหมือนไข่ตุ๋นมากกว่าไข่จุดจืดอะ่นะใจไม่พอใจไหมแค่ลิ้นกระทบรสไม่พอใจละวกระทบรสที่ถูกใจพอใจนะเราไปคอยสังเกตที่ใจของเรานะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยความรู้สึกของเราเปลี่ยน เดี๋ยวก็สุขเดี so. ๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหัดรู้ทันใจของตัวเองบ่อยที่สุดเท่าที่จะรู้ได้ใจของเราเปลี่ยนทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วเดี๋ยที่หลวงพ่อลองถามตั้งแต่แรกตื่นมาวันจันทร์กับตื่นมาวันศุกร์นี่เราคิดได้ว่าวันจันทร์ความรู้สึกก็อย่างหนึ่งใช่ไหมวันจันทร์กับวันพุธความรู้สึกต่างกันนึกออกไหมวันพุธสุดเซ็งใช่ไหมวันจันทร์นี้ขี้เกียจวันพฤหัสมีความสุขแล้วรู้สึกม ก็มีความสุขวันสุขกดีกระดาเนี่ยใจมันเปลี่ยนเพราะใจเราคิดใจก็เปลี่ยนไปดูความเปลี่ยนแปลงของใจบ่อยๆนะแล้วเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างในใจของเราเนี่ยไม่เที่ยงหรอกความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะความดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหมดเลย เนี่ยดูของจริงอย่างนี้เราจะเห็นเลาโอ้ใจให้เป็นอ น, นิจจังนะมีแต่ของไม่เที่ยงความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้นานนะอยากให้ความสุขอยู่นาน น, านมันไม่อยู่ความทุกข์ก็อยากให้มันหายไปเห็นไหมแต่ความทุกข์อยู่นานไหมความทุกข์วินาทีหนึ่งก็นานแล้วละ่ะความสุขวันหนึ่งก็สั้นไปไความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้นะอย่าตอนเราอกหักใช่ไหมเรารู้สึกทุกข์มากเลยสุดท้ายมันก็หายนะความทุกข์เองก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน นี่ดูลงไปแล้วเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของทนอยู่ไม่ได้ความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปความโลภความโกรธความหลงก็ทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปเน่ดูของจริงนะซ้าแล้วซ้าอีกอย่างนี้แหละนะกุศลอกุศลก็เหมือนกันนะอย่างใจโกรธโกรธก็ไม่โกรธตลอดหรอกนะเคยถามหลวงพ่อเคยถามนะโยมก็เคยโกรธ น, นานๆไหม เคยผู้หญิงคนหนึ่งโกรธแฟนนะแฟนมันทิ้งอย่าอกหักโกรธมากเลยแล้วเสียใจบอกโกรธนานเลยไหมนานโกรธนานเป็นปีเลยนะกว่าจะหายบอกไม่จริงหรอกตอนนอนหลับโกรธไหมไม่คิดไม่โกรธหรอกเนี่ยความโกรธเองนะเปลี่ยนแปลงไม่คงที่หรอกไม่ทนอยู่ไม่ได้หรอกความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้ความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ไดนะ้ความดีก็ทนอยู่ไม่ได้จริง ความเร็วก็ทนอยู่ไม่ได้จริงดูลงไปได้นะมันทนไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกขังความสุขจะเกิดเราสั่งให้เกิดมันเกิดไหมอาดวงสั่งให้ใจมีความสุขพอใจมีความสุขแล้วสั่งต่อจงสุขตลอดกาลสั่งไม่ได้ห้ามทุกข์ได้ไหมทุกข์แล้ไล่มันไปไหมไม่ไปตรงที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่แหละเรียกว่าอนัตตา ดูลงมาในใจเรานะจะเห็นแต่อันิจจังทุกขังอนัตตาดูลงในร่างกายก็มีแต่อันิจจังทุกขังอนัตตาดูแล้วดูอีกวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูไปเรื่อยนะแล้วแต่บางคนบารมีมากดูไม่กี่วันก็ปิ๊งละโอ้ทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยถ้าบารมีน้อยก็ใช้เวลาเยอะหน่อยนะกว่าจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยเมื่อไรเราเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยได้พระโสดาบันโสดาบันนะจะเห็นว่า ทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรไม่มีอะไรที่เป็นอมตะเลยแล้วมันดียังไงการที่เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวต่อไปพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราจะไม่ทุกนะถ้าเราเห็นว่าความสุขความทุกข์ในใจเราเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปเราจะไม่ดิ้นรนหาความสุขเราจะไม่เกลียดชังความทุกข์ใจเราจะเป็นกลางใจจะเต็มอิ่มมีความสุขอยู่ในตัวของตัวเองได้ ถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงในกายในใจหนึ่งๆนะดูบ่อยๆถึงจุดหนึ่งเนะี่ยความทุกข์จะเข้ามาสู่ใจไม่ได้เพราะใจยอมรับความจริงของกายความจริงของจิตใจคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองงั้นที่เราต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะั้นะเพื่อให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจนี้แหละถ้ายอมรับจิตยอมรับความจริงได้นะจิตจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะค่อยๆฝึกนะเอาเท่านี้ก่อน มากกว่านี้ก็ไม่ดีแล้วเริ่มไอขลุกขลุกเ็กเด็กแล้วหนาว <c oughs> อ้าวใครจะส่งกคนบ้านว่ามาหลวงพ่อแนะนํานะให้โอกาสกับชีวิตตัวเองไปฟังซีดีหลวงพ่อซะคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเนี่ยเข้าถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเนี้นับจํานวนไม่ถ้วนแล้วนะเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงเคยหลงโลกนะก็เริ่มเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานขึ้นมา ในเวลาไม่นานหรอกเดือนสองเดือนเท่านั้นนะไม่ใช่ทำกันหลายๆายปีน ะ, ะว่ามาใครจะส่งกันบ้านรร ก, การทมัศการหลวงพ่อค่ะออฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสี่ห้าปีะคะ่ะแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ตามที่สาราลงชิ น, นะคะ่ะก็อาศัยฟังสภาวะเพื่อ น, นเวลาเขาจับตราสที่สาราลงชิพ น, น ะ, ะก็เห็นกายใจมันแยกแล้วก็เห็นนางมารค่ะแล้วก็ ตัวได้ที่เห็นจะใช้คือเป็นตัวโธสระแล้วก็มันจากที่เราเคยเห็นมันโกรธแล้วมันตุ้มมันก็จะเป็นระคายเคืองโกรธขุดโกรธตุ้มอืใช่ไหมคะแล้วมันก็ค่อยๆถอยมานะคะแล้วก็มันไม่ได้หายไปแต่ว่าเหมือนความโกรธมันมันมันห่างไปนานๆมันจะโกรธทีแล้วมันจะไม่ถึงระดับตู้มไม่ตุ้มหรอกเพราะเรารู้เร็วเหมือนไฟไหม้นะะเราเห็นตั้งแต่ไฟเครื่องสปาร์คขึ้นมารึก็ดับได้ไฟไหม้ตึกไปหมดแล้วมัไปดับได้ไง โทสะกําลังจะเกิดต่อตัวขึ้นมาแป๊บๆในใจเราว่าสติระลึกทำไมก็ขาดละไฟยังไม่ทันจะไหมว่าดับรอจนโกรธจนจะฆ่าคนตายอยู่แล้วแล้วดูว่าไม่ทันแนละ้วอย่างนั้นดีล่าถูกแล้วแล้วครั้ น, นี้พอช่วงนี้พอตัวโทสะมันมันเริ่มหายไปก็จะเห็นตัวมารตัวใหม่โผล่มาใช่ไหมตัวเห็นมาตัวจากตัวโลคะโลคะปกติมันตัวเล็กเล็กกว่าชาวบ้านนะคะมันตัวโทสะใหญ่แต่ช่วงนี้ที่เห็นเยอะคือเป็นตัวโมหั เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวคิดเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเพง่งเดี๋ยวนั่นแหละดีที่สุดละแต่มันเหมือนพอช่วงนี้ค่ะหลวงพ่อมันมีอาการเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเหมือนกายมันก็เพิ่มข้างในค่ะอพอแล้วจิตมันก็เพิ่มตามเออนะดูไปรูปก็ไม่เที่ยงรูปก็กเพิ่มอยู่ตลอดนะ <c oughs> นา ม, มาทำไปจิตใจก็เพิ่มอยู่ตลอดแต่บางทีเวลาเราเราไปดูมันนานๆไม่แน่ใจว่าไปเพ่งมันหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อเวลาดูมันเหมือนเหมือนเริ่มอาการขึ้นไสมาก็เหมือนแบบ ถอยออกมาดูห่างๆอย่าถล่มเข้าไปจ้องดูเหมือนดูคนอื่นนั่นมันเหมือนที่หลวงพ่อบอกเขาเหมือนมันเหมือนภาวะเหมือนมันรักตัวเองครับมันเห็นนะคะว่ากายเหมือนมันแยกออกจากกันแล้วกายก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงแต่ถามว่ายอมปล่อยไหมมันบอกยังไม่ยอมปล่อยที่ยังปล่อยไม่ได้เพราะเราเห็นว่ามันเป็นของดีถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายเป็นตัวทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์จะโยนทิ้งเขาทิ้งของเขาเอง ไปฝึกต่อนะแต่จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องถึงฐานจริงๆนะตอนนี้ไม่ถึงฐานดูออกไหมดูออกค่ะจิตมันไม่ถึงจิตกระจายออกพอจับไม้แล้วคุยกับหลวงพ่อแล้วก็ตื่นเต้นอ่ะอุกบ้างขอต่อไปขอปฏิบัติเป็นพุทธบูชาแล้วก็ขอถวายเป็นอริยบูชาธระนมาสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้าน ครั้งที่แล้วเมื่อสามปีที่แล้วอะคะ่ะแล้วก็ไปฟังหลวงพอ่อทิสานุงชินอตอนนี้ก็จิตใจตัวเองอ่อนโยนลงเยอะอนะะแล้วก็ยังเห็นตัวโกรธอยู่แต่ว่าอเออเหมือนเห็นตะวันดับได้เร็วขึ้นเวลาปฏิบัติตอนนี้จะเป็นนั่งสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจตัวเองอพุโทโธบ้างอเออจะเห็นตัวปวดมันมั น, ม, นมันไม่ได้แบบปวด ปวดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะปวดอะฮะเป็นแบบปวดปวดปว ด, วดปวดปวดหายหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <roomm. S 2> แล้วก็ช่วงนี้โลภอะค่ะโลภโลภเยอะไม่รู้ทันอรอกค่ะแล้วก็หลงแล้วก็คิดเยอะมากคือรู้สึกว่ารู้สึกว่าที่ที่เห็นคือเหมือนวิ่งไปคิดวิ่งไปคิดไม่ไปคิดไม่งไปคิดติ่งเงี้ยค่ะเป็นเนื้อใจไปเนื้อเลยแว่งไปตลอดเวลานะค่ะก็ จะรักตัวเองค่อนข้างเยอะไม่ยอมวางยังไม่ถึงเวลาค่ะถ้าวางง่ายก็พระละหันท่วมโลกเลยค่อยๆทานะให้มันลดความทุกข์ในใจเราไปเรื่อยเห็นไหมว่ามันลดลงลดลงเยอะค่ะเนี่ยลองถามพวกที่ภาวนานะพวกที่ไม่ได้ภาวนาเรียนกับหลวงพ่อนะท้าเลยนะความทุกข์ลดจริงๆนะเราไม่ใช่เวลาเยอะหรอกถ้าเข้าใจสิ่งที่บอกน่ะแป๊บเดียวเหรค่ะก็ อ่ะไปมันอื่นบ้างก็ขออนุญาตปฏิบัติเป็นพุทธบูชาแล้วก็อาจารยะยะมือเชื่อสาธุนะดีมากส่งกันบ้านนะคะก็คือฟังซีดีพระอาจารย์มาช่วงหนึ่งแล้วนะคะก็ปฏิบัติมาช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตื่นบ้างแต่กอมีบางช่วงที่เหมือนลืมตัวไหลลงไปก็เยอะอะค่ะถ้าตื่นบางครั้งก็รู้สึกว่าเราทาไม เร็วลายจังอะไรเง <ไป S 1> ี้ยไปดูเน่นนะ่ะดูตัวขี้โมโหอะนะไปดูตัวนี้ให้เยอะๆไว้มันจะพุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเราคอยรู้ไว้ค่ะข<ม>้ของดูถูกทางใช่ไหมครถูกสาธ <ไป S 1> ุค่ะไปดูโทสะน ะ, ะอะ ก, การนมัสการหลวงพ่อคะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ฟังหลวงพ่อนะคะก็ ทุกวันนี้เนี่ยสาธิจะมีเวลาที่อยู่กับบ้านก็จะใช้เวลาปฏิบัติโดยสมาธิโพนาแต่พอฟังของพ่อแล้วเนี่ยทุกครั้งที่นั่งสมาธิเนี่ยไม่เกินสองนาทีจิตจะไปแต่รู้ว่าคิดอะไรก็เลยไม่น่าจะว่าถูกต้อง ต, ตา ม, มแนวทางของพ่ อ, อย่งยังไม่ถูกตรงที่รู้ว่าคิดอะไรเนี่ยนะเป็นอารมณ์ปัญญัติให้รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดการที่เราเห็นตัวจิตทํางานเนี่ยเรียกว่าเห็นอารมณ์ปรมัาสนะ ถึงจะทำมีปรัสนาถ้ารู้เรื่องที่คิดเนี่ยใครๆก็รู้นะงั้นเอาแค่ว่าจิตหลงไปคิดเรารู้จะคิด อ, อะไรไม่สําคัญหรอกนะแต่ว่าถ้าใจเราฟุ้งซ่านเราทําความสงบนะสมาธิไม่ทิ้งนะถ้าใจเราฟุง้งดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายไม่รู้เรื่องทําความสงบไว้พอจิตใจสงบมีเรื่องมีแรงแก็กลับมาเจริญปัญญาดูกายดูใจทํางานต่อนะอย่าไปสงบอยู่เฉยสงบอยู่เฉยไม่มีปัญญาหรอก หลวงพ่อทำสมาธิเก่งนะไม่โม้หรอกพูดความจริงฝึกมาตั้งแต่เจ็ดขวบยัน22ให้22อปีฝึกอยู่จนอายุ29่ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นจนมาเจอครูบาอาจารย์นะเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่ศิลป์อะไรนะี้ท่านสอนเจริญปัญญาใสนะสมาธิเราทิ้งไม่ได้นะสมาธิเอาไว้พักผ่อนะราพักผ่อนพอสมควรแล้วก็ต้องเดินปัญญา เราถึงจะเกิดอริยทรัพย์เหมือนร่างกายเราต้องการพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็ต้องไปทำมาหากินถึงจะเกิดทรัพย์ขึ้นมาถึงจะรวยได้จิตใจก็เหมือนกันจะได้อริยทรัพย์ก็ต้องเจริญปัญญาอย่าพักผ่อนลูกเดียวทำแต่สมถะไม่ได้กินหรอกก็เดี๋ยวจะนำลองไปดูนะหลวงพ่อได้นำนะฟังซีดีหลวงพ่อแรกๆฟังไม่รู้เรื่องช่างมันฟังแล้วฟังอีก ขนาดเด็กเล็กๆนะมันยังรู้เรื่องเลยมีเด็กอายุสี่ขวบไปส่งกันบ้านแต่ไม่ได้ส่งกับหลวงพ่อนะไปส่งกับลูกศิษย์หลวงพ่ อ, อีกทติ๋งบอกว่าหนูเห็นความโกรธนะเพราความโกรธมันสั้นนิดเดียวทําไมมันสั้นนิดเดียวมันเห็นความโกรธได้ก็อัศาจรรย์แล้วนะเห็นสภาวะสั้นนิดเดียวสิทธิสติเกิดเมื่อไหร่ความโกรธดับเมื่อ น, นั้นดับต่อหน้าต่อตาเลย<ม>สติมันเร็วนะสี่ขวบนะ พวกเราใครถึงสี่สิบบ้างอย่าให้แพ้เด็กสี่ขวบนะอ่ะต่อไปการนับการหนุนข้อค่ะฝึกการกําหนดกําหนดรู้กําหนดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วกําหนดได้ว่าโกรธอแต่บางทีไม่รู้อันเข้าใจผิดหรือเปล่านะคะเหมือนพอเรากําหนดว่าโกรธแต่มันไม่หายโกรธก็เลยกําหนดกําหนดกําหนดกําหนดไปตลอดจนถึงจนจนมันดับไปว่ากําหนดนะ เป็นภาษาเป็นคำแผลงมาจากคำว่ากดเก็บกดนั่นแหละเพราะฉะั้นต่อไปนี้ให้เรารู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องกําหนดอย่างความโกรธเกิดขึ้นมีสติระลึกรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแค่นี้พอละส่วนที่บอกว่าโกรธเนอโกรธหนอเนี่ยนี่คือความคิดเมื่อไหรคิดเมื่อนั้นตกจากวิปัสสน า, าละตรงที่ความโกรธเกิดขึ้นตัวนี้ขาดสติตรงที่รู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้น ตัวนี้แหละจิตตั้งมั่นแนละเห็นความจริงของความโกรธแล้วไม่จะเห็นความโกรธ ด, ดับได้แต่พอเห็นความโกรธปุ๊บแทนที่จะรู้ว่ามันเกิดแล้วดับนะกลับไปกําหนดกําหนดคือการคิดเมื่ อ, อไรคิดเมื่อนั้นตกอย่างวิปัสนาทันทีเลยนะกําหนดนั้นดีในเบื้องต้นเพื่อเป็นการย้ําเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะอะไรกําลังปรากฏอยู่แต่เมื่อเห็นสภาวะนั้นแล้ว ให้รู้สภาวะนั้นอย่างที่เขาเป็นเนั้นที่ของคุณนะมันจะพลาดตรงที่ว่าอยากให้หายโกรธเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้หายโกรธท่านสอนบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะให้รู้นะไม่ได้ไปให้ละเพระฉนั้นเราตั้งเป้าผิดต่อไปลองดูความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเราจะเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ ไม่ได้เชิญเลยมาได้เองนะเป็นอนัตตานะความโกรธอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปนี่มันไม่เที่ยงโดยอย่างนี้นะไม่ใช่ดูให้มันหายถ้าดูให้หายไม่ใช่วิปัสนากําหนดก็ไม่ใช่วิปัสนานะค่ะพอาจารย์นมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือว่าฝักซีดีมาพักหนึ่งแล้วอะค่ะแต่ก็พยายามทําตามอยู่แต่รู้สึกว่าจะชอบลืมที่จะรู้สึกตัวค่ะต้องช่วยมันนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ จะอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจอยู่อะไรที่ได้เรื่องเอาสักอย่างหนึ่งที่ว่าเราไปรูนะ้อันนั้นเราสบายใจอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเครื่องอยู่อยู่กับลมหายใจหายใจแล้วมีความสุขจิตก็สงบเพราะ้นเราเราต้องมีเครื่องอยู่ไม่งั้นเราจะหลงยาวเช่นเราหัดพุทธโธพุทธโธนะพอมันหนีไปคิดมันจะลืมพุทธโธพอมันนึกขึ้นได้ว่าลืมพุทธโธเมื่อกลับมาได้ไม่หลงยาวถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เลยนะเราจะหลงยาว ตื่นนอนมาล้วก็คิดแว บ, บเดียวเนะคนะ่าละคนที่ภาวนาไม่เป็นนะเผลอวันละครั้งเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับคนที่ภาวนาเป็นนะเผลอเป็นหมื่นครั้งเลยใจไหลแว บ, บรู้สึกแว บ, บรู้สึกเพราะฉั้นยิ่งหลงบ่อยยิ่งดีหลงนานไม่ดี้ช่วยมันช่วยมันก็คือว่าพอยามรู้รู้ รู้รู้อยู่ที่หายใจอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดหลบไปก็กลับเข้ามาไม่ไม่ไม่บังคับนะ <c oughs> ไม่ตัดตัดเพราะต่อว่าด้วยไม่ง่ายงอนกับมันนะ <c oughs> หายใจไปจิตมันหนีเออแกไนะ่ไปแล้วเอาใหม่รู้สึกเอาใหม่หายใจสบายๆหนีไอีก้รู้สึกเอาใหม่สบายๆอย่าทิ้งคาว่าสบายเคล็ดลับอยู่ตัวเนี้ยถ้าใจสบายใจจะสงบ <c oughs> ถ้าใจไม่สบายใจจะไม่สงบค่ะคค่ะ นมสการหลวงพ่อครับว่าไงโรเบิร์ตก็ฟังซีดีหลวงพ่อได้ยินทีแรกชื่อนึกว่าชื่อโรเบิว่ามาโรเบิทก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสี่ห้าปีนะครับก็ตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ก็คือพยายามใช้ลมหายใจเข้าออกแล้วภาวนาพุทโธเป็นวิหารธรรมนะครับแล้วก็รู้สึกได้บ่อยขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยัง ยังรู้สึกไม่ถี่มากไม่เป็นไรก็ <c oughs> ฝึกเอานะวิธีฝึกก็หายใจไปพุโทโธไปแ ล, แล้วจิตหนีไปเรารู้ทันนะฝึ <c oughs> เเกเรื่อยๆตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้ว่าจิตเคลื่อนนี่แหละจิตจะตื่นหลักจากนั้นก็ตื่นแล้วก็จเจริญปัญญาหลักของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ <c oughs> เพราะฉะั้นถ้าเราจะพุโทโธนะไม่ใช่พุโทโธให้นิ่งหรอกไม่ได้หายใจให้นิ่งถ้าพุโทโธให้นิ่งหายใจให้นิ่งตั้งใจจะให้นิ่งจะเครียดยิ่ง <c oughs> ไม่นิ่งใหญ่ ก็หายใจสบายสบายไปแล้วก็ถ้าจิตหนีไปคิดต้องรู้ทันได้นะวิเศษที่สุดเลยเราจะได้ยิ่งกว่าความสงบคือจะได้ความตั้งมั่นด้วยลำพังความสงบเนี่ไม่พอนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะไปเปิดพจนานุกรมดูเลยสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นที่ทว่าเรียนแล้ว ส, สงบสงบไม่ใช่สมาธิในศาสนาผู้ทธหรกสงบนะเอาไว้พักผ่อนดีไหมดีมีประโยชน์ไหมมี จะทําให้เกิดมรรคผลไม่เกิดหรอกนะคนละเรื่องกันนะจะต้องให้จิตตั้งมัน่นจิตใจไม่ลืมเนื้อลืมตัวพูดภาษาไทายง่ายๆนะจิตที่มีสมาธิคือจิตใจที่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวเมื่อมันไม่ลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็เห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานปัญญาก็เกิดว่าความจริงก็คือกายนี้ใจนี้เป็นใจลับนะเพราะฉะั้นเราก็มาฝึกนะโรเบิร์ตก็จิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้นะ จิตจะตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วไปเรียนต่อที่สวนสันติธรรมที่จริงที่จริงฝึกอยู่เนี่ยใช้ได้อยู่นะจิตก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมโรเบิร์ตเห็นครับนะถูกแล้วนะทนถูกแล้วหมดแล้วใช่ไหมจะได้รีบไปหมดแล้วครับเดี๋ยวขอส่งอีกคนหนึ่งครับของพ่อมาครับพ่อแรกๆเจริญสติได้ มันตื่นเต้นวุ่ว่ามีความสุขอือดูเหมือนว่าความปฏิบัติมันก้าวหน้าอืแต่พอดูไปนานๆเหมือนดูหนังซ้ําเรื่องเดิ ม, มเรื่อยๆอ ม, มันกลายเป็นความเคยชินอืเรารู้สึกว่ามันไม่มีความก้าวหน้าอย่าให้เฉยครับนะต้องไม่เฉยดูซ้ําๆนะถูกแล้วหัดใหม่ๆนะตอนที่จิตตื่นขึ้นมาเนี่ยมีความสุขเพราะมันไม่เคยตื่นแต่เหมือนเธอแต่งงานใหม่ๆอนะ่ะเนาะก็แต่งหลายๆปีอ่ะแบบเดียวแหละ ยังไม่เคยเจอเจอแล้วโอ้มีความสุข พ, พออยู่คุ้นๆ น, นะก็งั้นๆอ่ะเกิดอุเบกขาแต่อย่าเฉยอย่าเฉยนะใจเนี้ยต้องอรรถไหมคอยปลุกตัวเองให้เข้มแข็งไหมพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีกระตุ้นตัวเองไม่ให้เฉยไปเยอะแยๆเลยเช่นเตือนตัวเองไม่ประมาทนะความตายมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยหรือบางทีมีกาลยานมิตรมีเพื่อนภาวนาด้วยกันพอเราเฉยเขาก็ดึงพอเขาเฉยเราก็ดึงอย่างเงี้ย อย่าเืยอพรอะกันก็แล้วกันพากันดึงแต่สิ่งหนึ่งคือเราเหมือนกับเป็นดาวเคราะห์อะครับไม่มีแสงแล้วพอมันเฉยมากๆพาตัวเองไปหาดวงอาทิตย์โคจอรไปหาหลวงพ่อที่ไรก็ชาร์จแบตมาแป๊บเดียวแบตหมดออกแล้วค่ะหลวงพ่อแบตอันนี้อยู่ได้ไม่เกินเจดวันไม่ว่าแบตของใครนะรไม่ไม่เกินเจวันหรอกจิต ท, ที่ตั้งมัน่นมีพลังมีสมาธิเนี่ย เราต้องเล่นของเราเองน้องฝึกขลงเสัยก่อนหลวงพ่อปอยหาครูบาอาจารย์นะสามสี่เดือนนะอย่างช่วงมาคะปีใหม่นะมาคะมิสาขะเข้าวรรศาเนะี่ยแล้วก็ช่วงวันเฉลิมเนะี่ยลางานนิดนิดหน่อยหน่อยนะได้วันเยอะช่วงเนี้จะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลไกแต่ทุกเดือนนี้จะไปหาหลวงพ่อพุทธทุกเดือนเดือนละครั้งอยู่ที่โคราชไปนะี่ก็สดชื่นได้ไม่เกินเจดวันเป็นทุกคนนะ อาจารย์วิชาไม่ต้องกงังวลเป็นทุกคนแหละครับผมงั้นเวลาที่เหลือเนี่ยอยู่ที่เราถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษของโลกของชีวิตนะจฐฐนะฮึดเนะมันจะไม่ชฉื่อยนะก็ในท้ายที่สุดนี้นะครับในานามของพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องกราบน้ำสกางขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งที่เมตตากรุณามาแสดงธรรม อาจารย์นี่แกพูดเก่งนะเมตตากรุณา น, น่าจะต่อมู้ที่ตาอุเบกขาด้วยค <c oughs> และและ <c oughs> ในท้ายที่สุดนี้นะครับคณะศิษย์ได้พร้อมใจกันจัดจตุปัจจัยทายธรรมเพื่อถวายเป็นสังฆทาน <c oughs> ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพวกเราในการถวายสังฆทานนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งหลายเหล่านี้อันเป็นสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์อันมีพระอาจารย์ปามโปามดปโมชโชเป็นอาทิมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุดขอพระอาจารย์ปามโมดปามโมชโชโปรดรับจตุ ป, ปัจจัยทยธรรมอันเป็นสังฆทานเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเาถิดยะถาวาริวหาปุราบริปุเรนตีสาคารัง เอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกระปติอิชิตังพฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจฉุตุสเพภูเรนตุสังกปาฉันโทปนรโสยทามนิโชติรโสยทาสพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวรรตรายโยสุขีทิคายยโกภวะ อาพิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนจตารูธรรมาวทัฒนตีอายุวันโนสุขขังพระลัง